คนเบาปัญญาคนที่สองคิดว่าเขาฉลาดกว่าคนเบาปัญญาคนแรกมากก็ออกราดและกระป๋องรถน้ไปเก็บเสียแล้วนั่งในสวนอ่านนิตยสารที่อาจจะมีรูปภาพของธรรมชาติบนกระดาษมันๆนั้นแต่มันเป็นความเพลิดเพลินอยู่กับนิตยสารไม่ใช่การหาความสุขสงบจากสวนของเขาคนเบาปัญญาคนที่สา